ประเทศกรีกสมัยโบราณนะเรียกว่าสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้านะมีปราดคนหนึ่งชื่อไดโอจีนิสนะเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ว่าใช้ชีวิตเหมือนขอทานเป็นคนสมร t ไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งนะคำไหนก็นอนนั่นอยู่ได้ด้วย การพิขาจาร น, นะพิขาจานคือว่าใครมีจิตใจเมตตาก็ให้อาหารบริจ่างเงินวันหนึ่งเดอจิน e ิสก็ไปนอนอยู่ข้างถนนนะนอนด้วยความสุขก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเดินผ่านมา สองคนนี้คงจะรู้จักกันนั่นนะเศรษฐีก็ควักถุงเงินมาให้เดวิตเทนิสแล้วก็ขยันขยอให้เดวิตเทนิสรับนะเพราะเดวิตเทนนิสนี้ไม่ค่อยอยากจะรับเงินเท่าไหร่เศรษฐีก็บอกว่ารับไปเถอนนะเงินนี้นะเป็นเงินของฉันเองนะอยากจะช่วยท่านนะท่าน มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้มากกว่าฉันเดเจินิสก็ถามว่าแล้วท่านยังมีเงินเหลืออยู่อีกเยอะเหรอเศรษฐีบอกมีเงินยังมีเงินเหลืออยู่เยอะเลยไม่ต้องห่วงเดเจินิสก็ถามต่อไปว่าแล้วท่านอยากมีเงินมากกว่านี้ไหมเศรษฐีก็บอกว่าน่นแน่นอนนะฉันก็อยากมีเงินมากกว่านี้แหละ มากกว่าที่เป็นอยู่แด่เจนิสก็เลยคืนถุงเงินให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านรับไปเถอะนะท่านต้องการเงินจำนวนนี้มากกว่าฉันนะเดอะเจนิสไม่ไม่รับเงินนะเพราะเห็นว่าในเมื่อเศรษฐีนี่อยากจะได้อยากจะมีเงินมากกว่านี้นะ อยากจะมีเงินมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าเขาก็ต้องการเงินก้อนนี้มากกว่าเดวเจนนี่ไม่ต้องการไม่ได้ต้องการที่จะมีเงินมากกว่านี้แล้วนะเขาก็พอใจในสิ่งที่เขามีแล้วนะก็เลยคืนเงินให้เศรษฐีไปเศรษฐีมีเงินมากนะแต่ว่าในความรู้สึก ของเดวตินิสเนี่ยนะเศรษฐีนี้นะจนมากกว่าเขาอีกนะเดลตินิสนี่เขารู้สึกว่าเขาพอแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าที่มีอยู่ในความสุขเขาเนี่ยเขาเจอเขารวยแล้วเศรษฐีต่างหากที่ยังจนอยู่นะเพราะว่ายัางต้องการเงินเพิ่มขึ้นคนคนที่ยังถึงแม้จะร่ำรวยเท่าไหร่นะแต่ว่ายัง ยังไม่พอในสิ่งที่ตัวเองมียังอยากได้เพิ่มนี่ก็ก็เรียกว่าไม่ต่างจากคนจนนะคือยังรู้สึกว่าจนอยู่ยังต้องการมีเพิ่มอยากได้เพิ่มเดย์จินิสนี่เขาถึงแม้ว่าดูเหมือนคนจนเหมือนขอทานนะแต่ว่าเขาในใจเขารู้สึกเขาร่ำรวยพอาะเขาพอแล้วนะไม่ต้องการเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นนะ เป็นเกศประวัติตอนหนึ่งนะของเดลเจนิสนะที่เขาเรียกว่ามีชื่อมากในเรื่องของความความสมรรถะแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีปัญญาในสายตาของเศรษฐีเนี่ย e เดลเจนิสนี่จำเป็นต้องการใช้เงินก้อนนี้มากกว่าแต่ว่าในสายตาของเดลเจนิสนี่เศรษฐีในเมื่ออยากจะได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ควรจะเอาเงินก้อนนั้นกลับคืนไปนะมันจะได้สมปรารถนาของเขาที่ต้องการ มีมากขึ้นเรื่อยๆถ้าความรวยความจนนี่บางทีมันไม่ได้ดูที่รูปร่างสังขารหรือว่าจำนวนจำนวนเงินที่มีนะมันอยู่ที่ความรู้สึกในจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสว่านะ ส, สันโดษเนี่ยคือความรวยอย่างยิ่งนยะสันโดษเนี่ยคือความมั่งมีอย่างยิ่งใครที่มีความสันโดษคือรู้จักพอนะก็จะถือว่าเป็นคนร่ารวยนะ ความร่ำรวยนี่มันไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินนะเท่านั้นมันอยู่ที่ความรู้สึกในใจด้วยถ้ามีความรู้สึกพอไม่ต้องการอีกก็ถือว่ารวยแล้วยากจงนี่ก็สามารถจะเป็นคนรวยได้นะเพราะเขารู้สึกว่าเขาพอแล้วไม่ต้องการเพิ่มถ้าหากว่ามีเพิ่มก็ไม่ได้อยากจะเก็บเข้าตัวนะี่อยากจะบริจาคเมื่อสักสามสี่ปีก่อนก็มีข่าวนะ ชายพิการคนหนึ่งซึ่งเป็นขอทานอยู่แถววัดไผ่ไม่ใช่เียวัดวัดไร่เข่งนะวัดไร่เขิงบริจาคเงินเป็นล้า น, นให้กับวัดนะแกก็ไม่เชิงเป็นขอทานทีเดียวนะก็ยังชีได้โดยการขายของเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะพวกทูบพวกเทียนแต่ก็ยากจนก็มีคนให้ทานได้ด้วยให้ทานด้วยขนาดยากจนนะแต่ว่ามีเงินเก็บเป็นล้านนะ ก็บริจาคเงินให้กับทางวัดนะเพื่อเป็นประโยชน์กับพระาศาสนาเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไปในตัวแล้วแกไม่ได้ทำครั้งที่เป็นครั้งแรกนะทำรู้สียเป็นครั้งที่สองครั้งที่สมแนละ้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนรวยนะทั้งทั้ท ง, ทงที่ทั้ทั้งที่ก็ไม่ได้มีบ้านอยู่ดีเท่าไหร่นะอาจจะพักตามศาลาวัดโดยซ้ำแต่ไม่รู้เก็บเงินได้ยังไงนะ แลเก็บเงินที่ไหนมันมีคนแบบนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวนะเมื่อสักต้นปีนี้ก็มีข่าวคนแก่ชาวบูลกาเรียอายุ99ปีนะแกขอทานวันหนึ่งเนี่ยเดินประมาณ25กิโลนะคงจะเดินไปกลับนะเพื่อขอทานแต่เงินที่ได้มาเนี่ยแกไม่ได้ไปใช้เลยสักแดงเลยนะ แกไปบริจาคสถานเด็กกาพร้านะแกบอกว่าแกไม่เป็นต้องใช้เงินก้อนนี้นะเงินที่แกหามาด้วยนำทางน้ําแรงกันนะเพราะว่าแกได้เงินกเกษียณอยู่แล้วได้เงินบํานาญของราชการประมาณ80ยูโรนะ80ยูโรก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะยูโรนึงก็ประมาณ40บาท50บาทแกบอกแกมีเงินอยู่แล้วนะได้เงิน บำเหน็จบำนาญอยู่แล้วจากหลวงนะแต่แกก็ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยนะทั้งที่แกก็น่าจะอยู่ถ้าแกอยู่สบายกินสบายแกก็ก็พอได้เพราะแกสมัชอยู่แล้วแปดสิบยูโรนี่แกอยู่ได้สบายใจแกก็ยอมนะที่จะเดินขอทานยี่สิบห้ากิโลนี่สําหรับคนเก้าสิบมันไม่ใช่น้อยเลยนะอย่าว่าแต่เก้าสิบเลยนะ ขณะตัมมานี่เดินวันละ25กิโลก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเดินทุกวันเดินธรรมยาตรานี่ยังเดินไม่ถึง25กิโลเลยวันหนึ่งนะวันไหนเดิน 10, 20, 20, 20กิโลก็ถือว่าไกลแล้วแต่ว่าคุณปู่คนนี้เดินวันละ25กิโลนะเพื่อขอทานไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อช่วยสงเคราะห์เด็กกำพร้าอันนี้ก็เรียกว่าน้ําใจก็ยิ่งใหญ่มากนะ เรยเรยเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ได้เลยนะเพราะว่าสามารถจะอยู่สบายนะนั่งเล่นนอนเล่นก็ได้เพราะแกกินน้อยใช้น้อยอยู่แล้วแต่ว่าแกคงอยากจะทําตัวเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะแกคงรู้สึกว่าการอยู่นั่งกินนอนกินนี่มันเป็นชีวิตที่ไร้าสาระหรือไม่มีค่านะก็อยากจะทําตัวเป็นประโยชน์นะต่อส่วนรวมแกจะเคยเป็นเด็กกาพร้ามา ก, ก่อนด้วยซ้ําก็ได้นะก็เลยนึกถึง สถานเด็กกําพราะนะ้าก็พยายามหาเงินเก็บหอมรอมริบทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการขอทานต้งเลืกเป็นเงินที่ได้กนําพันน้แรงนะเพราะว่าไม่ใช่นั่งไม่นั่งไม่ใช่นั่งเฉยๆนะแต่เดินเดินเดินได้เงินมาก็บริจาคให้กับเด็กที่ยากไร่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่น่าประทับใจมากนะคนที่จน แต่ตัวนะั่นแต่ว่าใจนี้ร่ํารวยนะแล้วก็เฉ ส, สละฉั้นเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความความรวยหรือความจนเนี่ยมันไม่อยู่ที่ทรัพย์สินที่มีนะแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกในใจนะถ้ามีความรู้สึกพออันนี้ก็รวยได้ไม่ยากแต่ถ้าไม่พอแม้จะมีเงินเยอะแยะไปหมดมันก็ยังเรียกว่าจนอยู่นั่นแหละนะฉะนั้นถ้าเราเทียบระหว่างเดวนิสกับเศรษฐีนี่เราคงจะ ตัดสินได้ไม่ยากนะว่าใครที่มีความสุขมากกว่ากันน ะ, ะแล้วก็เต็มแล